เรื่องนี้เป็นบันทึกจากนายเจมิมนักเครื่องจากที่ได้พนจนมาที่ตำบลท่าหลวงย่านเดียวกันกับที่นายทองคำพนจนมาเมื่ออยู่กับลุงที่หลังตลาดบ้านล่างของตำบลท่าหลวงค่ะ